ใจใหม่ตอนใจมีกำลังใจมีกำลังคือใจที่พร้อมจะเอาชนะตนเองความสามารถที่จะชนะตนเองคือการแพ้คนอื่นอย่างมีสติสมบูรณ์คือการเต็มใจลุกขึ้นเองหลังพลาดล้มคือการสูญเสียแล้วคลึ้มใจจะได้เริ่มสร้างใหม่คือการไม่ยอมรับ เสียงสั่งของปีศาจในหัวคือการไม่ยอมปราชัยแก่เสียงดูหมินนอกตัวคือการรีบทาในสิ่งที่เห็นอยู่ว่าต้องทาคือการโค่นล้มการปกครองของตัวขี้เกียจคือการตื่นนอนยังไม่ อ, อ้อยอิงอะไรหมอนคิดบวกต่างจากหลอกตัวเอง คิดบวกคือมองความจริงด้านดีหลอกตัวเองคือดีแต่ฝันอย่างนั้นอย่างนี้คิดบวกนำไปสู่การทำได้จริงเพื่อให้อะไรอะไรดีขึ้นหรือกระทั่งแก้ผิดเป็นผูกเปลี่ยนเสียเป็นได้เห็นความงามแม้ในสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าไปหลอกตัวเองนำไปสู่การทำไม่ได้จริง รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีก็ดันผู้รังคิดว่ามันดีอยู่แล้วสายน้ำไหลผ่านไปก็เอาแต่นึกถึงภาพไหลย้อนมาคิดบวกคือการนั่งนับบทเรียนที่ได้มาจากความเสียหายของตนหลอกตัวเองคือการนอนนับคำปลอบโยนที่ได้มาจากปากคนอื่นคิดบวก ทำให้คุยกันเข้าใจแล้วได้ผลแตกต่างในทางดีหลอกตัวเองทำให้คุยคนละเรื่องแล้วเสียเวลาเปล่าคนที่เอาแต่หลอกตัวเองเริ่มจากการใช้ชีวิตตามอารมณ์ไม่รับฟังเหตุผลของคนอื่นและไม่คิดจะมีเหตุผลของตัวเองที่ผิดก็ปกป้องตัวหรือกระทั่งโยนชั่วให้ใครต่อใครที่ถูก ก็เอาไว้เป็นหลักฐานย้ำกับคนอื่นไปจนชั่วชีวิตว่าฉันดีแล้วมาถูกทางแล้วคนอื่นต่างหากที่ไม่เข้าใจฉันส่วนคนที่คิดบวกเป็นเริ่มต้นจากการฝึกฝึกให้ยอมรับความผิดเต็มใจแก้ผิดให้เป็นถูกยินดีเ ป, ปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น รับฟังเหตุผลของคนอื่นเท่าๆกับมีจุดยืนที่ชัดเจนของตนเองเห็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นเรื่องสนุกได้ทุกวันไม่ใช่ยามอยู่กับที่แล้วคิดซ้ำๆว่าทุกอย่างดีอยู่แล้วภาพประกอบมีคำถามว่าคิดบวกแล้วทำไมยังลอยๆเหมือนหลอกตัวเองอยู่ดีแหละ คำตอบคือแค่คิดยังของหลอกลงมือทําคือของจริงการคิดดีมีหลายแบบแบบที่ดีไม่จริงคือคิดแล้วก็แล้วไปแบบที่ดีจริงต้องก่อให้เกิดแรงใจนึกอยากทําอะไรดีๆขึ้นมาจริงๆการทําดีบางครั้งอาจเจ็บปวดแต่ในที่สุด คุณต้องได้รู้ว่าอยู่บนเส้นทางของคนดีจะไม่มีความเสียใจเส้นทางของคนดีต้องก้าวเดินกันยาวๆถึงจะรู้ว่าถ้าเอาจริงดีจริงใครเอาจริงและดีจริงนานไปจะสบายขึ้นเรื่อยๆความดีที่ทบมาจะช่วยให้เป็นคนดีได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ เป็นสุขถึงใจแบบสวรรค์นบนดินมากขึ้นเรื่อยๆอันเป็นถิ่นของคนดีได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสวรรค์ทั้งเป็นนั่นแหละที่จะทำให้คุณเลิกมองย้อนไปข้างหลังหรือกระทั่งตั้งความหวังไปข้างหน้าในเมื่อสุขล้นปรีราวกับแหวกว่ายในสายน้ำอันเป็นทิพย์อยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะต้องรอความเป็นทิพย์เมื่อใดหรือจากไหนอีกละ่ะ เมื่ออยู่บนเส้นทางสว่างจริงใจย่อมได้มาซึ่งความสว่างใสแล้วความเสียใจจะมีที่ยืนอย่างไรได้ภาพประกอบมีคำถามว่าคนทำชั่วก็เห็นได้ดิบได้ดีกันอยู่ทุกวันนี่นาะตอบว่าเห็นด้วยตาแล้วล่วงรู้ความในใจของเขาไม่ว่าคิดชั่วอยู่ทุกวัน มันต้องทุกข์จากความกลัวขนาดไหน